บทที่39นับหนึ่งใหม่มาพบคุณสารณะค่ะลานดาวบอกกับประชาสัมพันธ์ซึ่งกำลังนั่งจัดข้าวของท่าทางเตรียมตัวจะกลับบ้านคุณอะไรคะเจ้าหล่อนผู้มีหน้าที่ต้อนรับแขกเงยขึ้นถามอย่างไม่รู้จักหน้าค่าตาลานดาวค่ะนัดกับคุณสารณะไวัย้าโมงสักครู่ค่ะกดเบอร์ภายในเพื่อรายงานเลขานุ ก, การของบอสใหญ่ตามระเบียบพอปลายสายให้ไฟเขียวก็หันมาบอกทางแกะอาคารตุกะยามเย็นเดินตรงไปแล้วเลี้ยวขวาหัวมุมขึ้นลิฟต์ ท่านอยู่ชั้นห้านะคะลานดาวพยากยิ้มขอบคุณแล้วก้าวเท้าไปตามทางที่ได้รับการชี้บอกด้วยจังหวะคงเส้นคงวาชายราศีสง่าแต่ว่าภายในกําลังซ่อนความตื่นเต้นครั้งใหญ่ไว้เมื่อตระหนักว่ากําลังจะได้พบกับท่านของประชาสัมพันธ์สาวในเวลาเพียงอึดใจข้างหน้าอาคารนั้นค่อนข้างโอ้อาบอกฐานะความรุ่งเรืองของบริษัทเป็นอย่างดี3าวันก่อนเขาให้คนไปเชื้อเชิญถึงสถานีวิทยุชักชวนมาคุยเกี่ยวกับงานพิธีก่อน แน่นอนว่าเป็นโอกาสงามเป็นความก้าวหน้าอันควรคว้าเพราะในจำนวนบริษัทผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ระดับหัวแถวของไทยซึ่งคนทั่วไปรู้จักและติดตามผลงานกันมากที่สุดต้องมีชื่อบริษัท NeoTen Entertainment ของท่านโคโสกรัฐบาลรวมอยู่ด้วยอย่างไม่ต้องสงสัยก่อน NeoTen ถือกำเนิดสรณะเป็นพิธีกรเกมโชว์หนึ่งรายการ t a อีกหนึ่งรายการทั้งสองรายการได้รับความนิยมล้นหลามเข้าขั้นที่ใครไม่ดูถือว่าตกยุค ขาดสถานภาพบุคคลร่วมสมัยฟังมุกตลกที่พาดพิงถึงรายการของสารณะไม่รู้เรื่องประมาณนั้นเมื่อค่าตัวแพงขึ้นเรื่อยๆชื่อเสียงขจรขจายพอจะเอาดีทางทำรายการโทรทัศน์เป็นล้ำเป็นสันเขาก็ลงทุนก่อตั้งบริษัท Neo Train Entertainment ร่วมกับนายทุนใหญ่รายหนึ่งจุดขายที่สำคัญของ Neo Train คือความแปลกแหวกแนวเล่นง่ายท้าทายแถมแฟงสาระอย่างแยบยนต์สารณะคิดเกมโชว์เร้าใจชุดใหม่ๆขึ้นเอง และเริ่มเขยบเข้าใกล้แวดวงนักปกครองด้วยรายการทอล์กโชว์ทันเหตุบ้านการเมืองแสดงวิสัยทัศน์ที่เฉียบแหลมวิพากษ์วิจารณ์การทํางานของรัฐบาลและฝ่ายค้านด้วยการยิงหมัดบวกมุกตลกเด็ดดวงที่ให้ภาพชัดลึกแม้แต่คนไม่เคยสนใจการเมืองมาตลอดชีวิตก็ถูกชื่อเสียงด้านนี้ของสารณะลากมาดูมาสนใจมาหัวเราะท้องคัดท้องแข่งทุกอาทิตย์ไม่น่าแปลกใจเลยว่าเหตุใดเมื่อเขาลงสมัครสอส ค, ครั้งแรกจึงสอบติดทันทีชนิดผู้คนมาเทคคะแนนให้อย่างมืดฟ้ามัวดิน พลทุกสํานักพยากรล่วงหน้าว่าสารณะเป็นเต็งหนึ่งเหมือนกันหมดบางคนเปรียบให้เขาเป็นมาเทศฝีตีนจัดขณะที่คนอื่นในเขตเดียวกันต่อให้เก่งแค่ไหนเมื่อเทียบกับสารณะก็เป็นได้แค่ลาแก่เท่านั้นปัจจุบันนีโอเทนเอ็นเตอร์เทนเมนท์ที่เขาสร้างมากับมือเปรียบเหมือนหนุ่มใหญ่โตวันโตคืนที่เนื้อหอมและมีกําลังมากทั้งเกมโชว์ท็อกโชว์และงานละครยิ่งจํานวนรายการที่ประสบความสําเร็จเพิ่มขึ้นมากเท่าใดอิทธิพลก็เริ่มกว้างขวาง และดึงดูดคนเก่งๆมาร่วมงานด้วยอย่างอุ่นหนาฝาคั่งและการถูกเรียกตัวมาสัมภาษณ์ครั้งนี้ลานดาวก็มีแก่ใจดูรายละเอียดจากอินเทอร์เน็ตถึงผลงานของนิโอเทรนมาพร้อมน่าตื่นใจที่ทราบ ว, ว่าบริษัทได้รับรางวัลต่างๆเป็นจํานวนมากจากสถาบันในประเทศมากมายเช่นรางวัลจากสํนานักคณะกรรมการเยาวชนแห่งชาติรางวัลเมฆขลาตลอดจนคะแนนนิยมจากสื่อมวลชนต่างๆโดยเฉพาะคํานิยมเกี่ยวกับการริเริ่มสร้างสารรค์รายการชนิดไม่ติดกลิ่นลอกเลียนมาจากไหนเลย ถึงชั้นห้าพนักงานคนหนึ่งยืนคอยต้อนรับอยู่ใกล้ๆ ล, ลิฟต์และทักทันทีคุณลานดาวใช่ไหมครับค่ะเชิญทางนี้ครับขอบคุณค่ะหญิงสาวยิ้มแจ่มใสอบอุ่นใจและรู้สึกว่าสารณะให้เกียรติหล่อนเป็นพิเศษหนุ่มคนนั้นพามาถึงห้องที่มีป้ายชื่อสารณะกรีถาพลปิดไว้ด้านหน้าและเอื้อมมือเปิดประตูให้อย่างบริการเต็มอัตรา ลานดาวคล้มศรีษะนิดๆให้เขาเป็นเชิงขอบคุณก่อนก้าวเดินผ่านเข้าห้องบิ๊กบอสของนีโอเทรนด้วยใจประหม่าหน่อยๆรู้สึกเหมือนลูกหนู่มกำลังเผชิญหน้ากับราชสีที่ยิ่งใหญ่จริงสัมผัสได้ถึงพลังอำนาจท่วมทน้นลามลดมาถึงหน้าประตูห้องทีเดียวลานดาวก้าวเข้าไปสู่ห้องนั้นด้วยอิริยาบถเดินเป็นปกติเจ้าของห้องกำลังใช้ปากกาเซ็นงานยิกแต่พอเห็นหล่อนปรากฏตัวก็ทิ้งปากกาในมือลุกขึ้นยืนต้อนรับทันทีสวัสดีค่ะคุณสารณะ ยิงสาวกระพุ้มมือไหว้อ่อนช้อยสวัสดีครับคุณจ๊ะสารณะยิ้มแจ่มใสรับไหว่อย่างเป็นกันเองและพายมือไปทางชุดรับแขกหนังแท้ไปนั่งคุยกันทางโน้นดีกว่าลานดาวก็ไปอย่างที่นั่งตามคําเชิญพยายามควบคุมจิตใจและรักษาแข้งขาไม่ให้สัน่นขอบคุณที่มาตามคําเชิญกิริยาวาจาเกะเทเตตาที่เคยมัดใจหลอนไว้ในห้วงอารมณ์หลงฝันบัด น, นี้มาขยับขยืขย่นอย่างมีชีวิตชีวาต่อหน้ากันเคยเชื่อว่าวันหนึ่งจะต้องรู้จักกับเขา แต่ก็เหมือนความเชื่อที่เป็นแค่ฝันกลางวันลมๆลลแรงๆไม่นึกเลยว่าจะมีวันนี้จริงๆเรากับจินตนาการลวงใจแปลรูปเป็นสีสันและความเคลื่อนไหวกระจะตาในโลกแห่งความจริงจนได้ด้วยความยินดีค่ะไม่ทราบ ว, ว่าคุณสารณะมีอะไรเกี่ยวกับรายการให้ดิฉันรับใช้หรือคะเรียกพี่นเถอะครับแล้วพี่ขออนุญาตเรียกน้องจ่แล้วกันชื่อเล่นของเราสองคนเอามาเรียงต่อกันได้ความหมายพอดีเลย ลานดาวผ่อนคลายจากอาการเกรงเล็กๆอย่างรวดเร็วคิดตามเขาเป็นครั้งแรกแล้วเผ ย, ยยิ้มออกมาณนะจะสารณะยิ้มกว้างดูจริงใจเปิดเผยและยังไม่ค่อยแปดเปื้อนรังสีอมตเฉกเช่นนักการเมืองผู้คล่ำวอดกับวงจรอิทธิพล ร, ระดับประเทศเท่าใดนักอีกอย่างตัวจริงของเขาไม่ได้หวางมาสเข้มทรงคุณวุฒิเหมือนที่เห็นประจำในข่าวโทรทัศน์เขาดูเป็นกันเองสบายๆเท่ากับหรือมากกว่าครั้งเมื่อยังเป็นดาราหนุม่ม ความมีชีวิตชีวาของเขาจึงพลอยเรียกชีวิตชีวาในรอยยิ้มของหล่อนตามมาด้วยค่ะพี่นาะพี่แอฟังรายการจ้ามาหลายครั้งถึงแม้ส่วนใหญ่ช่วงเช้าพี่ไม่ว่างก็ต้องให้คนช่วยอัดไว้เสมออยากบอกซ้ําอย่างที่เคยโทรเข้าไปในรายการอีกครั้งว่าประทับใจมากหญิงสาวพนมมือไหว้อ่อนช้อยความเคลื่อนไหวที่อ่อนโยนออกมาจากใจทําให้จิตสงบเบาและเอ่ยคําได้ด้วยใจจริงขอบพระคุณค่ะจะยังทราบซึ่งไม่หายที่พี่นากรุณาโทรเข้าไปช่วยส่งเสริม เงยหน้าขึ้นก็เห็นประกายตาแจ่มจรัดของเขาส่งมาเหมือนพอใจกริยาไหวสวยๆของหลอนหนังสือของจ้าพี่ก็อ่านนะว่าแต่จ้าวางแผนจะเขียนเล่มต่อไปแล้วหรือยังค่ะเป็นความลับหรือเปล่าบอกได้ไหมว่าไตเต้นหนังสือคืออะไรวิธีค้นหาตัวเองให้พบค่ะสรณะยิ้มพลายได้ แ, แรงบันดาลใจมายังไงคงจะเป็นความดีใจที่คนพบตัวเองมั้งคะชายหนุ่มเลิกคิวขึ้นเล็กน้อยนึกว่าจะรู้จักตัวเองดีมาตลอดเสียอีก รูดีว่าอยากได้นั่นอยากได้นี่อยู่ตลอดเวลาแต่ไม่รู้ว่าตัวเองคือใครกันแน่ต่างจากพี่นาที่มีความชอบใจและมุ่งมั่นจะเล่นการเมืองมาแต่ก่อนเข้าวัยรุ่นลันดาพูดอย่างรู้เพราะเคยอ่านสัมภาษณ์ของเขามามากสารณะ ย, ยิ้มอย่างปีติที่อีกฝ่ายก็ทราบตื้นลึกนาบางของตนเช่นกันพี่ได้ยินชื่อเสียงได้ยินใครต่อใครพูดถึงจะมาพักใหญ่แต่เพิ่งเดือนก่อนที่มีโอกาสอ่านหนังสือของจะ๊ะอ่านแล้วทําให้พี่นึกถึงใครบางคนเช่นซิสเตอร์จวาน้าเดลาครูช ในศตวรรษที่17ที่มีพร้อมทั้งรูปสมบัติคุณสมบัติแถมจิตวิญญาณงดงามเป็นแรงบันดาลใจในทางสร้างสารรค์ได้กว้างขวางตั้งแต่อายุยังน้อยหญิงสาวสันน้านิดๆท่าทีคล้ายบอกเขาว่าตัวจริงหล่อนหน้าสมเพศมากกว่าความจริงจ้าคือวัยรุ่นที่อ่อนแอและสับสนหลงทางคนหนึ่งตัวตนในวันนี้คือผลจากการปั้นแต่งใหม่ด้วยน้ำมือของครูอาจารย์และพี่ๆหลายคนจ้าเคยก่อความเดือดร้อนระดับวายร้ายโลกไม่ลืมไว้เยอะ ปัจจุบันแค่มาถึงจุดที่ต้องชดช้ยคืนเสียบ้างสรรานึกชอบวิธีถ่อมตัวของหล่อนเพราะไม่ใช่แค่สักแต่หลบคำสันเสิริญแบบขอไปทีแต่สามารถกล่าวถึงแง่เสียของตัวเองให้สมดุลกับคำเยินยอดูเป็นคนรู้จักและเข้าใจตนเองตามจริงอย่างน่ารักทีเดียว คนเคยร้ายกว่าใครพอดีก็มักเป็นดีผิด ธ, ธรรมดาเดี๋ยวนี้จ้าก็นับว่าประสบความสําเร็จอย่างสูงได้พลายธรรมจากคลื่นเด่นเสียด้วยว่าแต่ในหนังสือวิธีค้นหาตัวเองให้พบที่กําลังเขียนนี่จะเล่าความเป็นมาเป็นไปของจ้าละเอียดหน่อยไหมพี่สนใจจังจ้าตั้งใจเขียนเกี่ยวกับตัวเองให้หน้อยที่สุดค่ะอาจยกตัวอย่างมาชี้ให้เห็นว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่อ่อนแอถ้าโชคร้ายขาดความสนใจขาดความรักงานใดงานหนึ่งจากก้นบึ้งของความเป็นตัวของตัวเอง ก็จะอยู่อย่างสังกตายไปวันวันนักการเมืองหนุ่มทำท่าสนใจยิ่งขึ้นอีกหมายความว่าจ้าเคยสังกตายไปวันวันค่ะแล้วแนวทางเพื่อการค้นตัวเองให้พบล่ะเขียนไว้ยังไงก็ตั้งใจจะรวบรวมความเป็นมากับเกล็ดชีวิตคนเก่งที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงเป็นตัวของตัวเองและทำประโยชน์กับวงกว้างจะจะแสดงให้เห็นว่าบุคคลเหล่านี้มีบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนกัน mm hmm. เช่นวิธีปลูกฝังความชอบใจ และ ว, วิธีสร้างแรงบันดาลใจให้เพียรต่อสู้จนกว่าจะถึงดวงดาวสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ความบังเอิญไม่ใช่การรอพรสวรรค์หรือดวงชะตาแล้วลานดาวก็คลี่ยิ้มเพอเอินพบตัววันนี้ก็ขออนุญาตไว้เลยนะคะหนึ่งในสิ บ, บุคคลที่ประสบความสําเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยของนางสือจ้ามีพี่ณะอยู่ด้วยหนวยตาซารณะเปิดกว้างขึ้นนิดหนึ่งหน้าผากคลายออกด้วยความเบิกบานด้วยความยินดีและขอขอบใจเป็นอย่างยิ่งเพิ่งรู้สึกว่าพี่โด่งดังและน่าสนใจพอก็วันนี้เอง เดี๋พี่เอาไปคุยโม้ให้ทั่วเลยว่าจ้าจะเขียนถึงพี่ลานดาวหัวร้อเสียงนิ่มจะไม่มีความหมายขนาดนั้นหรอกค่ะนะักเขียนมือทองเขียนถึงพี่กันทั้งเมืองจ้าแค่เด็กรุ่นหลังที่เพิ่งเกิดเมื่อวานซืนและรีจะขอส่วนแบ่งเกียรติยศของพี่มาประดับหนังสือบ้างเท่านั้นคนได้รับเกียรติทำหน้าขึงขังต่างกันนะด้วยวิธีลำดับและจารนัยความที่ไม่เหมือนใครของจ้าทําให้พี่อยากขออ่านเสียเดี๋ยวนี้ว่าจ้าจะเขียนถึงพี่ยังไง มันอาจทำให้พี่เห็นตัวเองในมุมที่ไม่เคยสังเกตคงต้องสั่งจองร้านเจ้าประจำไวล่วงหน้าล่ะไม่ต้องลำบากหรอกค่ะจะส่งให้พี่ถึงมือหลายๆเล่มเลยนี่ปลื้มจริงๆนะที่รู้ตัวว่าร่วมขบวนพาเหรดคนดังในสายตาของจ้ากับเขาด้วยคนที่อยู่ในหนังสือคือแรงบันดาลใจของจ้าทุกคนล่ละค่ะพินคงไม่รู้บางทีแค่คาสั้นๆที่เป็นมุกเด็ดในโฆษณาแชมพูของพี่เช่นอย่าเอาแต่สวยนะครับ ก็เป็นชนวนเริ่มต้นให้เด็กขี้เกียจอย่างจะหันมาขยันเรียนจนพอลืมตาอาปากกับเขาได้สารณะทำตาโตแล้วรีลงอย่างพยายามทบทวนงานโฆษณาและงานแสดงจํานวนมหาศาลทําให้ต้องเคยนนึกอยู่อึดใจกว่าจะจําได้รางๆว่าเป็นลูกฮุก ข, ของแชมพูยี่ห้อหนึ่งในช่วงสร้างภาพสสระผมให้ได้เงางามเร็วๆเพื่อเอาเวลาอันมีค่าไปใช้สสา ง, งานที่ข้างค้ๆอื่นๆเขาเป็นพรีเซนเตอร์ซึ่งมีหน้าที่มองสาวเก่งด้วยสายตาชื่นชมในตอนต้น และพูดว่าอย่าเอาแต่สวยนะครับเป็นการปิดท้ายโฆษณาบางทีเราก็ทําอะไรดีๆโดยไม่รู้ตัวไว้บ้างเหมือนกันนะลานดาวยิ้มตอบอาจมากจนพี่นึกไม่ถึงทีเดียวค่ะพลังดารานั้นแค่ภาพลักษณ์ที่ชัดเจนอย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นแรงบันดาลใจกับใครต่อใครได้มากมายให้อยากเอาตามแล้วและพี่นาก็เป็นภาพดีๆให้เด็กรุ่นหลังอย่างพวกจะมาตลอดเจ้าของนีโอเทรนฟังคําสรรเสริญด้วยสีหน้า ย, ยิ้มแบบคนไม่บ้ายอนักเขาช่างใจนิดหนึ่งก่อนเปิดโอกาส พี่จะให้ข้อมูลทุกอย่างที่จะต้องการอยากถามมาเมื่อไหร่ก็ได้เสมอนะขอบคุณค่ะแต่คงไม่จําเป็นต้องรบกวนที่เสียเวลาของพี่เพราะจ้าอ่านบทความและสัมภาษณ์ของพี่นาะตั้งแต่10ปีก่อนจนถึงปัจจุบันนับร้อยชิ้นน่าจะมากพอพี่อาจมีข้อมูลลึกและลับที่ไม่เคยเปิดเผยกับใครหน้าไหนมาก่อนก็ได้นะเขาพูดยิ้มยิ้มเอาสองมือแตะอกและผายออกกว้างคล้ายสัญญาว่าจะเปิดเผยกับปล่อนหมดตัวหมดใจอย่างนั้นจ้าจะขอรบกวนเมื่อเรียบเรียงคําถามเป็นข้อๆเสร็จสมบูรณ์นะคะ เอาเลยให้สัมภาษณ์เดี๋ยวนี้ยังไหวตกลงวันนี้สลับมุมกันละไม่ทำหน้าที่ผู้สัมภาษณ์แล้วจะยังไม่ได้เตรียมคำถามไว้ทำไปเดี๋ยวต้องซักซ้ำอีกหลายรอบค่ะเอาไว้ก่อนดีกว่าตกลงอย่างที่บอกคือเมื่อไหร่ก็ได้ขอบพระคุณค่ะวันหนึ่งถ้าเกิดสงสัยตัวเองว่าที่ทำทำอยู่นี้เป็นไปเพื่ออะไรพี่อาจเปิดไปเจอคาตอบของตัวเองจากหนังสือของจ้บ้างลานดาวยิ้มบางอย่างรู้ว่าโดนลองภูมิ ในนิตยาสารบุคลิกฉบับเดือนมีนาคมถ้าไม่ปี4หนึ่งก็4ี่พี่ณให้สัมภาษณ์ไว้หน้าจดจำออกค่ะที่ว่าบางคนยอมเหนื่อยเพื่อเอาชีวิตให้รอดบางคนยอมเหนื่อยเพื่อให้ได้รวยบางคนยอมเหนื่อยเพื่อให้ได้ดังแต่พี่ณยอมเหนื่อยเพื่อให้โลกนี้ดีขึ้นถึงแม้จะต้องปิดทองหลังพระก็ตามรอยยิ้มในริมฝีปากหุบลงสระาทอดมองลานดาวด้วยแววลึกซึ้งอยู่ชั่วขณะก่อนเอียงคอโน้มตัวเล็กน้อย ในตาแ ป, ปรเปลี่ยเป็นสนุกขณะยกมือซ้ายชี้นิ้ววนหน่อยๆส่อความหมายให้สังเกตความจริงรอบด้านงานของพี่ที่ผ่านมานี้ไม่ค่อยจะปิดทองหลังพระสักเท่าไรเลยนะออกหน้าออกตาตลอดฉะนั้นคําสัมภาษณ์น่าจะสอนนิสัยปากกับใจไม่ตรงกันซึ่งก็เทือกเดียวกับนักการเมืองที่ต้องพูดตุนคะแนนนิยมไว้ก่อนคิดหาใจจริงของตัวเองให้เจอเคยอ่านพบในหน้าบรรเทิงของหนังสือพิมพ์แผ่นดินไทยดูเหมือนสักเมื่อสองปีก่อนพิ่นาพูดทํานอง ใจจริงมีไว้บอกตัวเองเงียบๆว่าเราเป็นใครแต่คิดดีๆก่อนรู้ว่าเราเป็นใครก็อาจต้องทําอะไรให้กับโลกมากพอจะถูกตัดสินว่าใช่อย่างนั้นจริงไหมชายหนุ่มหัวเราะแผ่วเชื่อสนิทว่าหญิงสาวรู้รายละเอียดเกี่ยวกับตัวเขามากจริงชนิดเท่าไปออกรายการแฟนพันธ์แท้มีหวังได้คลองแชมป์รายการวิทยุสองครั้งหลังที่ผ่านมาดูจ้ำไม่ปราดเปรียวฉุดฉาดเหมือนเคยๆไม่รู้ว่าพี่คิดไปเองหรือเปล่าหวังว่าคงไม่ใช่สัญญาณเริ่มเบื่อนะ ยังไม่เบื่อหรอกค่ะแต่ช่วงนี้ทดลองเลิกทําเสียงเหมือนนางแม่หมดบองดูบ้างท่านผู้แทนราษฎรหัวเราะออกมาดังๆก่อนเวนวักเงียบครู่หนึ่งมองหลอนเต็มตาด้วยความรู้สึกราวกับมองเงาตนเองเงาของเขาในกระจกกลับขวาเป็นซ้ายแต่เงาของเขาในหล่อนกลับจากชายเป็นหญิงเป็นส่วนปฏิภาคที่ได้ดุลกันทั้งคุณลักษ์ภายนอกที่เห็นด้วยตาและทั้งคุณสมบัติภายในที่วัดได้ด้วยใจอันที่จริงทํารายการถามตอบสดๆแบบจ่านี่เสียงเหมือนกันนะยิ่งพูดมากอาจยิ่งผิดมาก และทำให้จํานวนคนไม่พอใจเพิ่มมากขึ้นเป็นสัดส่วนใกล้เคียงกันกับคนที่พอใจแต่เท่าที่ให้เด็กของพี่ช่วยสํารวจปรากฏว่ายิ่งเหมือนคนรักจะเพิ่มมากขึ้นแถมพวกหม่นไส้ก็น้อยลงทุกทีจ้าพอมองออกไหมว่าเป็นเพราะอะไรล้านดาวหยุดคิดนิดหนึ่งเพราะไม่แน่ใจนักว่าสารณะอยากได้คําตอบจริงๆแค่ไหนหรือกระทั่งจะนําคําตอบไปใช้ในทางใดจ้าจะถือหลักในการตอบอย่างหนึ่งคือถ้าไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้หลีกเลี่ยงภาพลักษณ์ประเภทรู้รอบตอบได้หมด หลายครั้งจ้าเป็นฝ่ายขอความรู้จักคนโทรมาด้วยซ้ำเพราะอยากให้ภาพของรายการออกมาในแนวร่วมด้วยช่วยกันมากกว่าฉันเก่งอยู่คนเดียวการดึงทุกคนมาร่วมวงสร้างบรรยากาศเกื้อกูลกันเหมือนรวบรวมพลังแม่เหล็กที่นับวันจะมีแรงดึงดูดมากขึ้นและเป็นทั้งกำแพงป้องกันภาพฉายเดียวให้คนเขมยนเราไปในตัวสรา ร, รสะสันสีษะเหมือนครูที่บอกว่านักเรียนตอบผิดอันนั้นก็มีส่วนแต่คุณสมบัติที่ตรึงคนฟังไว้ได้ต่อเนื่องคือใจของจ้าต่างหาก ถึงคนทั่วไปจะไม่มีความสามารถรู้ใจใครเหมือนอย่างจะรู้ใจคนอื่นแต่มนุษย์ทุกคนมีสัมผัส ต, ตามธรรมชาติอยู่้างเงี่ยวหูฟังถ้าเปิดตามองใครนานๆก็เห็นใจจริงกันได้สิ่งที่เราทำอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนั่นแหละรวมกันเป็นกองแล้วจะกลายเป็นภาพแทนใจจริงขึ้นมาเวลาใครนึกถึงเราพยายามพูดว่าเราเป็นอย่างไรเขาจะนึกถึงใจจริงของเราตามที่เขารับรู้ ลานดาวฟังแล้วยิ้มยิ้มเหมือนนั่งเลคเชอร์ว่าด้วยปรัชญาการทำงานจากผู้อาวุโสที่ข้าหวอดในวงการมาช้านานและอีกทางหนึ่งก็นึกคลึมที่มีโอกาสฟังผู้เชี่ยวชาญมานั่งวิเคราลอตนแล้วใจจริงของจ้าในความรับรู้ของพี่นาเป็นอย่างไรคะที่เห็นเด่นเป็นอันดับแรกคือความสนุกกับงานอันดับต่อมาคือความปรารถนาจะช่วยเหลือคนอื่นให้เข้าใจวิถีทางที่เป็นกุศลสองข้อนี้จะทำให้จ้าเป็นนางเอกในดวงใจของหลายๆคนได้อีกนานคำพูดนั้นทำให้ลานดาวนึกถึงครั้งหนึ่ง ระหว่างเดินทางไปบางแสนกับนนทการและขอให้เพื่อนหนุ่มบอกว่าชาตินี้หล่อนมีความดีอะไรอยู่บ้างยังจำได้สนิทถึงอาการพยายามเค็นนึกของเพื่อนหนุ่มแต่เค็นเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกมาเดี๋ยวนี้หล่อนคงไม่จำเป็นต้องขอให้ใครฝืนใจเค็นนึกเช่นนั้นอีกเพราะแต่ละวันมีเสียงชื่นชมสรรเสริญหลังไหลเข้ามาไม่ขาดสาย จะรณไยคุณงามความดีของหล่อนอย่างละเอียดละอ่อในทิศทางเดียวกันจนรู้ว่าไม่บังเอิญไม่ใช่ความลำเอียงเฉพาะคนและไม่ใช่ชมเพราะหวังสิ่งใดสิ่งหนึ่งตอบแทนลานดาวจึงตรักว่าภาพความดีของมนุษย์่ใช่จะติดตัวมาแต่กำเนิดแ่ว่าอยู่ที่ผลของงานอันสร้างทำไว้เป็นประจาดังเช่นที่สาระกล่าวจริงๆกรรมที่ทำเป็นประจา หรืออจินนกรรมนั่นเองก่อภาพบุคคลขึ้นในใจผู้อื่นและทําให้ผู้อื่นบอกได้ว่าตัวเราเป็นอย่างไรคนเราไม่มีความน่ารักน่าชังในตัวเองถ้าใครรู้จักหล่อนเมื่อปีก่อนอาจหลงเพราะรูปอันเป็นของเก่าจากกุศลกรรมในอดีตหากรู้จักในช่วงนี้อาจรักในความดีอันเป็นของใหม่จากกุศลกรรมซึ่งเป็นปัจจุบันหล่อนโชคดีที่มีโอกาสเปรียบเทียบทั้งในแง่าการสวยรางวัลเก่าและใหม่ทําให้มองเห็นชัดว่าคุณค่าของกรรมดีนั้น จะเก่าหรือใหม่ผลย่อมเป็นสุขหน้าอิ่มใจแต่ระหว่างเก่ากับใหม่ของใหม่ที่เป็นปัจจุบันชาติย่อมมีน้ำหนักมากกว่าเพราะตนเองรู้อยู่คนอื่นเห็นอยู่ว่าทําอะไรมาบ้างเพื่อแลกกับเกียรติยศชื่อเสียงหอมหัวนทวนลมผิดกับของเก่าที่เป็นอดีตชาติซึ่งไม่มีใครรู้ว่าทําดีท่าใดมาอยู่อยู่จึงผุดขึ้นเป็นสาวแสนสวยร่ํารวยอย่างนาริษยาปานนี้ ลานดาวมองสารณ ะ, ะด้วยดวงตาเป็นประกายกว่าเดิมหล่อนยังเหมือนปูธุชนธรรมดาที่เมื่อมีใครพูดถึงตัวเองในทางดีก็ภูมิใจและอยากฟังรายละเอียดมากขึ้นแล้วพี่นามีคําแนะนําที่เป็นประโยชน์กับการปรับปรุงตัวของจ๋าบ้างไหมคะจ๋าอยากฟังทําหน้าทำตาว่าประสงค์เช่นนั้นจริงและคําวิจารณ์ของเขาจะมีค่ากับหล่อนต่อไปนะักการเมืองหนุ่มมองด้วยสายตาเห็นคนเข้าใจคนก่อนตบมือสองแปะช้าช้านี่ก็เป็นอีกความดีหนึ่งไม่ทนง และระวังตัวเองไม่ให้เหลิองอ๋อคือจ้าเคยหลงตัวมามากนะคะ่ะพอทํางานทําการแล้วก็เลยอยากระวังตัวหน่อยอาจารย์จ้าเตือนเสมอว่าไม่ควรประมาทบาปกรรมหนักๆที่ทําแค่ครั้งเดียวอาจลมล้างภาพรวมของกรรมดีที่สร้างทํามาทั้งชีวิตได้และคนดีๆในอดีตที่เผลอทําบาปทํากรรมการระนาวนั้นก็เพราะความทะนงความเหลิงหลงนี่เองใช่หนังสือพิมพ์อาจลงข่าวกรอบเล็กให้คนธรรมดาแท้าทาดีมากๆแต่จะลงข่าวใหญ่ตีไข่ใส่สีหลายวัน ถ้าคนแสนดีทำเรื่องเลวๆขึ้นมาสำหรับภาพใหญ่ๆโดยรวมของจา่านั้นถ้าไม่มีความทะน o หลงตัวอันเป็นวิสัยปกติของคนเก่งก็คงหาที่ติอื่นได้ยากแล้วมั้งมีคนอยากจับจ้าไปถ่วงน้ําเยอะเหมือนกันสแสดงว่าต้องมีที่ติอยู่แน่ๆต่อไปถ้าพี่ณเห็นก็กรุณาชี้ทางสว่างให้จา่าด้วยนะคะเจ้าของห้องเม้มปากยิ้มและพยักหน้ากับตนเองหน่อยๆความมีสัมมาคารวะและอาการอ่อนน้อมถ่อมตนแบบไม่แกล้งของลานดาวทําความพึงใจให้เขายิ่งยวด และรู้สึกว่าสามารถร่วมงานกันได้อย่างสบายใจต่อไปถามหน่อยเถอะไม่ต้องเดาไม่ต้องสืบค้นข้อมูลจากไหนเลยก็รู้ทันทีด้วยตาเปล่าว่าแบบจะนี่มีใครต่อใครรุมจีบเยอะแน่นอนแล้วทุกวันนี้ก็ช่วยเป็นที่ปรึกษาปัญหาหัวใจให้คนเกือบครึ่งเมืองเรียกว่ามีประสบการณ์กับตัวแถมหูตากว้างขวางเพราะรับข้อมูลมากเป็นพิเศษจะคิดว่าความล้มเหลวในรักชนิดที่ก่อคดีฆ่าตัวตายหรือตัดสินใจลงมือฆ่าแฟน ซึ่งชักเห็นกันด่าดื่นเหมือนโรคระบาดนี่มีสาเหตุ ส, สําคัญคืออะไรการสัมภาษณ์ครั้งนี้ออกไปในทางคุยเล่นเป็นกันเองมากกว่าสอบความสามารถเข้าทํางานเหมือนเขาอยากทําความรู้จักให้คุ้นเคยกันเท่านั้นลานดาวจึงตอบทุกคําถามด้วยความปลอดโปร่งและรู้สึกเป็นตัวของตัวเองยิ่งจะว่าคนเราไม่ตระหนักว่าตอนขาดสติตัวเองทําเรื่องโง่ได้ขนาดไหนลานดาวเหลือบลงต่ําระลึกถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วผ่านไปเหมือนฝันด้วยความสลดก่อนช้อนตาขึ้นศพกับเขา เอ่ยสืบต่ออย่างรวดเร็วเหมือนน้าไหลอย่างเวลาจะฆ่าตัวตายหรือฆ่าคนอื่นตายด้วยเรื่องชูสาวสืบดีๆจะเห็นว่าไม่ขึ้นอยู่กับความรักที่ผ่านมาแต่จะขึ้นอยู่กับสติและความมีเหตุผลในขณะนั้นๆต่อให้เคยรักขนาดสลัดทุกสิ่งได้ก็อาจฆ่าแกงกันง่ายได้ตอนเห็นภาพชู้บาดตาหรือถึงไม่ใช่คู่ที่แท้แต่เราไปหลงถึกถักยึดมั่นว่าเขาใช่เราก็อาจฆ่าตัวตายบูชาอุปทานอย่างน่าเสียดายที่สุดชายหนุ่มเท้าศอกมือแตะคางเลิกคิ้วสูงฟังสะดุดดีนะ ถึงไม่ใช่คู่แท้แต่ทึกทักว่าใช่ก็อาจฆ่าตัวตายให้เขาได้หมายความว่าตามความเชื่อของจ้าเรามีคู่แท้รออยู่เหมือนฟ้าหลังฝนกันทุกคนหรือจ้าอาจแค่ใช้คําที่ทุกคนนึกถึงและเชื่ออยู่ในส่วนลึกว่าต้องมีกันมั้งคะอาจารย์จ้าเคยบอกว่าคู่แท้ไม่มีหรอกเพราะเราต้องเปลี่ยนคู่ไปเรื่อยๆแต่คู่บุญนั้นมีจริงและบุญจะส่งกระแสชักนําให้มาพบกันรวมทั้งรักษาสัมพันธภาพไวให้ยั่งยืนกว่าคู่ที่ปลัดจากบุญร่วมกันมา แต่นัก่าตัวตายหลายคนจะไม่มีวันได้เจอคู่บุญเป็นทางชาติหากเขาเอาตัวรอดจากคู่บาปไม่สําเร็จสรณะพยักหน้าชา้าธรรมดาคนเราจะใจร้อนและยึดมั่นรุนแรงเจอทีแรกปักใจเลยชนิดที่ถ้าฉันไม่ได้มาคนอื่นก็ต้องไม่ได้ไปยอมตายดับไปเกิดใหม่ด้วยกันทั้งคู่ดีกว่าลานดาวพยักหน้าค่ะโดยเฉพาะถ้าเพิ่งรู้จักแต่ชีวิตวัยเยาว์และไม่เห็นอะไรมีค่าไปกว่าอารมณ์รุนแรงของตัวเองมนุษย์เรามีโอกาสทางความรักแตกต่างกัน โดยเฉพาะถ้าเรามีความรักในอุดมคติเลิศเลอเกินจริงก็อาจต้องรอจนตายโดยไม่เจอคนที่เป็นอย่างใจเยี่ยมผ่านมาเลยจ้าเคยคิดอย่างนั้นไหมสองตาสารกันลันดาวยิ้มมิสนิทนักด้วยความขัดเขินแปลกแปกกับการตอบค่ะเพราะอายุคนเราสั้นนักสั้นเกินกว่าจะรอแล้วรอเล่าอย่างปราศจากขีด จ, จํากัดแถมเพศหญิงมีโอกาสเป็นที่หมายตาของคนอื่นเฉพาะในช่วงวัยต้นๆผลจากวัยสาวคือการทนทรมานกับการเห็นเนื้อหนังมังสาเหี่ยวเฉาลงเรื่อยๆ ดูแล้วรู้ตัวว่านับวันยิ่งหน้าแหนงหน่ายไม่ชวนจับจองบางคนเลยหมดความอดทนแล้วสักแต่คว้าใครก็ได้ที่ใกล้ตัวแบบส่งเดชสารณะยิมละไม้ขอนิ้วลงกับโต๊ะช้าๆสองสาหนก่อนเบี่ยงประเด็นเล็กน้อยการเมืองในระบบประชาธิปไตยใครทําให้ประชาชนเชื่อได้คนนั้นก็คลองอํานาจไปภาพลักษณ์ใครดีกว่าก็มีภาษีกว่าสําหรับพี่นั้นความสําเร็จทางธุรกิจช่วยส่งภาพให้คนยอมรับว่าทํางานเป็นคิดเองเป็นและคลองความสําเร็จเป็น ต่อไปคงน่าเชื่อถือว่าคุมทิศทางเศรษฐกิจและนโยบายหลักของประเทศได้แต่ก็ยังด้อยกว่าเพื่อนนักการเมืองหลายๆคนที่สร้างบ้านสร้างเรือนมีครอบครัวอบอุ่นผาสุกพี่เพิ่งตระหนักว่าภาพนี้ก็สำคัญไม่แพ้ภาพความสำเร็จทางธุรกิจวันหนึ่งคนจะตั้งคำถามว่าตกลงเราเป็นตุ๊ดหรือเปล่าหรืออาจจะคลางแคลงว่าเราเป็นพวกเห็นแก่ตัว รักสนุกอยากนอนกับผู้หญิงไม่เลือกหน้าไปเรื่อยๆหรือเปล่าหากขาดลูกเมียเป็นตัวเป็นตนมายืนยันความสามารถธนุถนอมเลี้ยงดูคนใกล้ตัวให้ได้ดีแล้วภาพผู้ใหญ่ที่โตพอจะเป็นนักปกครองประเทศ mm. ก็เหมือนแหวงวินไปมากและอาจเป็นขี้ปากจนกว่าจะลงจากตำแหน่งเลยทีเดียวลานดาวสารตากับสารณะอยากจะอ่านใจว่าเขาเพิ่งรำพึงรำพันอะไรเล่นหรือว่าส่งคำถามมายังหล่อนกันแน่และถ้านั่นเป็นคำถามหล่อนก็ต้องใช้เวลาครุ่นคิดสักนิดหนึ่งว่าควรส่งคำตอบอย่างไรดี พอจะนึกออกค่ะหลายอาชีพต้องอาศัยภาพลักษณ์ที่ดีพอถึงจะซื้อความน่าเชื่อถือจากคนในวงกว้างได้แต่งานของพี่นะก็ไม่เกี่ยวกับความรักโดยตรงนี่คะจะเสียอีกหน้าที่ส่วนนึงคือทําให้วัยรุ่นเข้าใจความรักพบรักและรักษาความรักกันไวด้ดีๆแต่ที่ตัวเองกลับแคล้วคลาดกับความรักมาจนกระทั่งวันนี้นี่ต่างหากเรียกว่าคนมีภาพลักษณ์แหว่งบินอย่างแท้จริงชายหนุ่มรอบระบายลมหายใจอาการตั้งท่ารอคําตอบผ่อนคลายลงโลงใจที่ข้อมูลข่าวกลองของเด็กเขาผิด มีสายรายงานว่าลานดาวคบกับจิตแพทย์คนหนึ่งมานานร่วมปีแต่แปลกๆที่ทั้งคู่มักเที่ยวไปไหนต่อไหนพร้อมกันกับสาวอีกคนไม่ได้ควงคู่จูจีกันตามลําพังแฉนคนรักทั่วไปเป็นความกั้มกึ่งน่าสงสัยให้แก่สายตาที่พบเห็นชอบกลพี่คิดว่าการยอมแคล้วคลาดกับคนที่เราเห็นตามจริงว่าอย่างไม่ใช่บางทีจะดีเสียกว่าดันทุรังไม่ลืมหูลืมตากระทั่งต้องใช้ชีวิตที่เหลือด้วยอาการหน้าชื้นอกตรมบางทีเห็นเพื่อนนะักการเมืองบางคนมีครอบครัวแสนสุขแล้วนึกอิจฉา กับทั้งไม่เข้าใจว่าทําไมเราต้องแพ้เขาเรื่องนี้แต่คิดดีๆอีกทีก็รู้สึกว่าจังหวะชีวิตคนเราต่างกันวันก่อนเราแพ้แต่วันหนึ่งเราอาจกลับมาชนะและน่าอิจฉากว่าใครเพื่อนก็ได้ในตาของเขามีประกายใหม่ที่ทําให้หญิงสาวต้องเสเบรหน้าไปมองทางอื่นชั่วคราวและเงียบฟังเขาเอ่ยต่อข้างเดียวเวลาสังคมเห็นผู้ชายคนไหนซื่อสัตย์กับเมียอย่างน่าประทับใจก็ชื่นชมว่าอย่างนี้สี่ลูกผู้ชายขนานแท้สมควรได้รับคะแนนนิยมจากเรื่องส่วนตัวข้อนี้ไป แต่บางคนมีข่าวกระบอนกระแบนกับเมียก็โดนหาว่าไม่เอาไหนทันทีไม่มีใครมามัวเสียเวลามองด้วยความเห็นใจหรอกว่าเขาขาดโอกาสจะเจอรักแท้ต่างหากคนเราหากขาดพื้นฐานความรักจะฝืนสร้างภาพแฟมิลี่แมนเป็นสุภาพบุรุษผู้รักครอบครัวยิ่งชีวิตได้ส ก, กีน้ําลานดาวเบนสายตาไปไกลห่างจากเขามากกว่าเดิมแต่ก็จําต้องอ้อมแอมโต้ตอบตามเพลงเพราะรู้สึกว่าถึงจังหวะที่ตนควรกล่าวอะไรบ้างในฐานะผู้กําลังถูกสัมภาษณ์เข้างานจริงด้วยนะคะ พี่คิดจะปล่อยไปเรื่อยๆยอมเสียภาพที่ตกแต่งขึ้นมาว่าเรามีแบ็กอัพอบอุ่นพรั่งพร้อมยอมขาดคู่บา ร, รมีเชิดชูหน้าตาดีกว่าด่วนคว้าใครที่ไม่ใช่ตัวจริงมาเพื่อให้ใครต่อใครซุบซิบรับหลังได้ว่าที่แท้อยู่กันเหมือนเอาปลาราตั้งทิ้งไว้กลางพื้นเรือนเป็นตลบอบอวนจนไม่มีใครอยากกลับบ้านเพื่อทนสูตรกลิ่นชนิดนั้นหญิงสาวอมยิ้ม แต่ก่อนจ้านึกด่าสาเสียเทเสียเหมือนกันค่ะผู้ชายที่ทิ้งลูกทิ้งเมียให้เหงาแล้วไปอยู่บ้านใหม่กับเมียน้อยแต่พอรับฟังปัญหาของคนมากขึ้นหูตาก็กว้างขวางกว่าเดิมความคิดนอกใจเกินครึ่งมาจากความมักมากในกามของผู้ชายแต่บางทีเป็นเรื่องของโอกาสก่อนหลังที่จะพบคนซึ่งเข้ากับตนได้สนิทเกมชีวิตออกจะโหดร้ายและน่าทรมานใจตรงนี้พอด่วนเลือกโดยไม่รอดูดีๆก็มักเจอผู้หญิงขี้บน่นขี้หึงและขี้ขอ อยู่ไปอยู่มาเจอผู้หญิงที่เหมาะกับตัวมากกว่าทั้งพูดน้อยทั้งมีเหตุผลและทั้งใจกว้างเลยมองไม่เห็นว่าทำไมต้องทนต้านแรงกิเลสบวารักษาศีลธรรมอยู่ในเมื่อมันจะทำให้ชีวิตเป็นสุขขึ้นและผ่อนคลายจากแรงกดดันในบ้านใหญ่ลงหนุ่มใหญ่โคศกรัฐบาลคนปัจจุบันระบายยิ้มไม่จางประจักษ์กับตาว่าคนคนหนึ่งจะเข้าใจชีวิตแตกฉานลึกซึงนั้นหาใช่ต้องอายุอนา ม, มากเสียก่อนลานดาวรู้จักคนมาก รับฟังปัญหามามากช่วยแก้ปัญหามากพลอยทําให้ตัวตนของหล่อนกระโดดก้าวเกินไวัยไปอาจจะร่วมสองทศวรรษทีเดียวพี่ไม่ได้คุยกับใครเรื่องพันนี้มาเสียนานตั้งแต่อายุ20พี่ก็คํานวณเวลาเป็นเงินเป็นทองบางทีไปได้แรงบันดาลใจผิดๆจากสื่อส่งอิทธิพลจําพวกนิตยสารเศรษฐกิจการเงินมาเยอะอยากผลักดันตัวเองขึ้นสูงไปแข่งกับคนที่ส่งอิทธิพลทางการเงินและมีฐานอํานาจใหญ่ลืมคํานวณเวลามาเฉลี่ยให้ความสุขและความสมบูรณ์ในชีวิตเสียบ้าง อันนั้นพอจะเข้าใจค่ะแวดวงบุรุษผู้ทรงอิทธิพลทางการเงินมีเรื่องมันๆไว้ยั่วใจเยอะอย่างจะได้ยินว่าคนรวยที่สุดในโลกอย่างบิลเกตครั้งหนึ่งเคยมีรายได้250ดอลลาร์ต่อวินาทีแปลว่าถ้าระหว่างคิดงานสาคัญแบงร้อยดอลลาร์ในกระเป๋าถูกลมหอบไป 5-6 ใบมันจะไม่คุ้มเลยกับการเสียเวลาไล่เก็บแทนที่จะนั่งคิดงานต่อเพราะเพียงปล่อยให้2วินาทีผ่านไปเขาก็ได้เงินนั้นคืนมาเองอยู่แล้ว การคำนวณที่ชวนมันเคี่ยวชนิดนี้กระตุ้นให้เราหลงลืมว่าชีวิตไม่ใช่เครื่องจักรผลิตเงินอย่างเดียวถ้าหลงไหลมนต์สะกดของวิธีคำนวณเวลาเป็นค่าเงินเมื่อไหร่ก็ถูกดูดเข้ากระแสชีวิตเพื่อเงินเมื่อ น, นั้นสารณะหัวเราะแจม่มใสรู้สึกว่าลานดาวเป็นเพื่อนคุยที่ตามเขาทันไปทุกฝีก้าวทั้งเป็นฝ่ายรับความคิดและเป็นฝ่ายปลุกความคิดยอมรับว่าในปี1999 บิลเกตเคยเป็นแรงบันดาลใจของพี่เหมือนกันนะตอนที่สินทรัพย์ของเขาทะยานขึ้นทะลุทุกเพดานคือฟาดเข้าไปร่วม9000สล้านดอลลาร์มากกว่าใครหน้าไหนในประวัติศาสตร์ที่เคยมีกันมาทั้งหมดต่อให้มีวิธีทําลายเงินนาทีละเกือบ7ล้านบาทไทยก็ต้องใช้เวลาถึง1ปีกว่าจะทําให้เขาหมดตัวแต่ก็ดีนะคะบิลเกตนี่ถึงแม้จะเคี่ยวลากดินทางธุรกิจอย่างไร<ๆ>เขาก็มีใจจริงจะช่วยเรื่องการศึกษาและการรักษาโรค เห็นบริจาคเงินที่ตัวเองสร้างมาด้วยน้ำพักน้ำแรงมากกว่าใครในประวัติศาสตร์เช่นกันถ้ามองในแง่ของกรรมก็ไม่น่าสงสัยว่าทำไมถึงมีปัจจัยอุดหนุนให้เขารวยล้นฟ้าล้นดินขนาดนั้นเคยทําในชาตินี้อย่างไรก็น่าจะเคยปลูกฝังนิสัยแบบเดียวกันไว้ในชาติก่อนชายหนุ่มพงกษ์ศรีสะคนรวยจํานวนหนึ่งอยากรวยไปเรื่อยๆเพื่อทําได้ทุกสิ่งที่อยากทําหรือเพื่อให้มีอำนาจเบียดเบียนคู่แข่งทางธุรกิจสะดวกขึ้น แต่ประเภทที่อยู่บนหลังคาโลกอย่างบิลเกตนั้นต่างไปดีที่ถึงจุดนั้นแล้วเขาตั้งคําถามใหม่แตกต่างจากมหาเศรษฐีทั้งหลายนั่นคือเขาควรจะใช้เงินส่วนเกินอย่างไรและนั่นก็คือที่มาของการบริจาคระดับพันล้านดอลลาร์หลายต่อหลายงวดกระจายเม็ดเงินจํานวนมากมาไปเพื่อการกุศลสารพัดทางเขาพูดด้วยเสียงชื่นชมทําให้ลานดาวมองเห็นตัวตนของสารณะเพิ่มขึ้นอีกแบบคนเราชื่นชมใครในแง่ไหนก็แสดงถึงความเป็นคนชนิดนั้นในทางใดทางหนึ่ง จะมากหรือน้อยก็ตามขออนุญาตถามคำหนึ่งได้ไหมคะเอาซีสารณารับด้วยท่าทีกระตือรือรน้นเพราะเดาวว่าคงได้เห็นคำตอบของตนเองในหนังสือเล่มใหม่ของลานดาวพี่นบอกว่าคนรวยมีหลายประเภททั้งพวกที่เอาไว้ทําอะไรตามใจทั้งพวกที่เอาไว้ฟาดฟันกับคู่แข่งและทั้งพวกที่อยากสละส่วนเกินให้คนอื่นบ้างแล้วสําหรับพี่นเองในฐานะนักธุรกิจใหญ่คนหนึ่งพี่นตั้งใจจะรวยไปเพื่ออะไรนักธุรกิจหนุ่มใช้ปลายนิ้วเกาหว่างคิ้วเบาๆ พี่มาจากพื้นฐานครอบครัวปานกลางก็มีความทะเยอทะยานประสามนุษย์คนหนึ่งอยากมีกินมีใช้ทัดหน้าเทียมตาใครต่อใครในสังคมทุกวันนี้ยังต้องกังวลประคับประคองความคล่องตัวทางการเงินวันดีคืนดียังต้องก่อหนี้โดยเฉพาะตอนสร้างรายการใหม่เรียกว่าไม่ถึงขนาดรวยลอยลําการมีธุรกิจที่ประสบความสําเร็จมากไม่ได้หมายความว่ารวยแล้วแต่อาจหมายความว่าเราต้องระมัดระวังกับมันสักหน่อยพลาดก้าวเดียวอาจเซหรือเป็นชนวนให้ลมตึงเข้าได้ เงินทองเหมือนกองภูเขาสำหรับคนอื่นในสายตาเราอาจเป็นแค่ฐานให้อุ่นใจชั่วระยะเวลาหนึ่งมีรายละเอียดซุกซ่อนอยู่ซับซ้อนที่คนอื่นไม่เห็นแต่เราเห็นอมนี่พี่ตอบคำถามจ้าไปหรือยังสรุปคือทุกวันนี้สร้างตัวเพื่อความมั่นคงของชีวิตและคนในบริษัทก่อนเป็นก้าวแรกใช่ไหมคะเศรษฐีหนุ่มยิ้มอย่างพอใจที่อีกฝ่ายเรียบเรียงคาพูดสรุปเป็นคาตอบให้โดยที่เขาไม่ต้องพูดเอง อีกอย่างมันเป็นภาพซื้อความเลื่อมใสหนะถ้าเรารวยได้ก็น่าจะทําให้ประเทศรวยด้วยความรวยด้วยลําแข้งน่าเชื่อถือกว่าปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร์มากนักลานดาวยิ้มอย่างคล้อยตามจะเป็นลูกสาวนักธุรกิจมานานยังไม่เคยอ่านเกมธุรกิจออกอย่างเป็นรูปธรรมเลยค่ะการเมืองการปกครองด้วยภาพในใจเห็นแต่การฟาดฟันแย่งชิงอํานาจเท่านั้นอํานาจเป็นสิ่งที่ทําให้ธุรกิจและการเมืองเกือบเหมือนพี่น้องฝาแฝดแต่อํานาจก็ไม่ใช่ทั้งหมดมันมีจิตวิญ ญ, ญาณของผู้คลองอํานาจอยู่ตรงนั้นด้วย แต่ละคนจะใช้อำนาจไปในทางที่ใจของตัวเองมีอยู่จริงพูดง่ายๆว่าใครอยากได้อะไรก็จะใช้อำนาจไปเอามาในทางนั้นลานดาวมองสารณะอย่างตั้งใจคิดตามชีวิตหล่อนรู้จักอำนาจมาหลายรูปแบบเช่นเกิดมาก็มีเงินทองของพ่อไว้ใช้เนรมิตเข้าของเป็นสาวมาก็มีความสวยไว้สั่งหนุ่มให้ทําตามต้องการและล่าสุดโตขึ้นก็มีปัญญาไว้ตัดสินใจเลือกเส้นทางชีวิตของตนเองแต่อำนาจเหล่านั้นไม่ใช่แบบเขาและหล่อนก็ไม่อยากได้อำนาจปกครองประเทศอย่างเขาด้วย ที่นาทำให้จ้าเข้าใจอย่างหนึ่งเดียวนี้เองคนเราจะสมอยากแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับอํานาจในมือสารณะพยักหน้าแต่ละคนโตมาต่างกันเห็นอะไรมาต่างกันแล้วก็ทําให้มีความอยากที่ต่างกันทุกวันนี้จ้าอาจพอใจที่มีส่วนเปลี่ยนแปลงใครสักคนไปในทางดีขึ้นแล้วคนรอบตัวเขาก็อาจดีขึ้นตามไปด้วยนั่นแปลว่าถ้าจ้าทําให้คนหลักพันพูดว่าเขาเปลี่ยนไปเพราะจ้าก็อาจหมายถึงจ้าคนเดียวสามารถก่อกระแสความเปลี่ยนแปลงกับผู้คนในหลักหมืน่น ถึงตรงนั้นจ้าอาจอยากทําประโยชน์มากขึ้นอีกระดับหนึ่งและหันมาเห็นว่าระบบสังคมประชาธิปไตยในไทยเรามีกลไกรองรับผู้ต้องการทําประโยชน์ในวงกว้างถึงขีดสุดอยู่นั่นคือเปิดโอกาสให้กระโดดเข้ามาเล่นการเมืองเสนอตัวเป็นนักปกครองนักวางแผนพัฒนาประเทศแทนคนทั้งชาติซึ่งคราวนี้ตัวตนของจ้าจะไม่กระทบแค่คนกลุ่มพันกลุ่มหมืน่นแต่จะยกขึ้นสู่ขอบเขตประชาชนเรือนแสนเรือนล้านคิดง่ายๆ่ายถ้าวันหนึ่งเรามีโอกาสช่วยผู้หญิงถูกข่มขืนให้รอดปลอดภัยสักคน เราคงเก็บไปภูมิใจอีกนานแต่หากเรามีอิทธิพลได้ถึงขนาดทําให้ชายโฉดทั้งหลายหายไปจากประเทศละ่ะความน่าภูมิใจจะยิ่งต่างไปขนาดไห น, นไกลไกอํานาจรัฐที่มารองรับไอเดียดีๆทั้ทงในด้านปรับพื้นจิตใจคนในชาติและทั้งในด้านการลงโทษที่น่ากลัวพอย่อมบรนดาลความเป็นไปได้ให้เกิดขึ้นทั้งนั้นเราจะสนุกกับการตั้งเป้าหมายดีๆและใช้อํานาจรัฐกับพลังความคิดสร้างสารรค์เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายนั้นลานดาวรับฟังด้วยตาตื่น ปกติฟังนักการเมืองพูดจะไม่ค่อยเข้าหูถ้อยคําอย่างลงไม่ถึงจิตถึงใจอาจเป็นเพราะถูกปลูกฝังให้มองนักการเมืองในแง่ร้ายมาแต่เด็กเห็นเป็นเสือสิงกระถิงแรกที่เอาแต่โกหกหมดเท็ดปั้นน้ําเป็นตัวไปวันวันหลายปีที่ผ่านมาถ้าจะฟังนักการเมืองบ้างก็คือวันถ่ายทอดสดจากรัฐสภาและจำเพาะเจาะจงดูลีลาอภิปรายของสารณักรีธาพลคนเดียวแม้บางทีฟังไม่ค่อยรู้เรื่องนักก็ติดตามด้วยความประทับใจมากเข้มแบบพระเอกเก่าของเขาเป็นหลัก ภาพเสียงและวาจาของเขาคมคายชัดเจนเข้าใจง่ายฟังแล้วอยากพยักหน้าคล้อยตามเสมอมาวันนี้เมื่อได้คุยกับเขาเป็นการเฉพาะก็บังเกิดแรงบันดาลใจทางการเมืองขึ้นอย่างประหลาดอาจเพราะรู้สึกว่ากำลังได้สัมผัสกับบุคคลซึ่งเป็นของจริงที่กระโดดออกมาจากความฝันก็ได้อำนาจไม่ใช่เป้าใหญ่ของพี่ณาใช่ไหมคะการใช้อำนาจต่างหากที่ใช่พอบอกได้ไหมว่าเป้าใหญ่ในชีวิตของพี่ณาคืออะไรที่ผ่านมารัฐบาลมักเน้นกันว่าต้องทําธุรกิจอย่างไรเศรษฐกิจจะดีขึ้น นั่นเป็นสิ่งที่พี่ต้องพูดถึงเพื่อหาเสียงเหมือนกันแต่วันหนึ่งพี่จะบอกเพิ่มว่าทำบุญท่าไหนถึงจะรวยจริงทั้งเงินและความสุขคือพี่อยากก่อกระแสะใหม่ให้คนคำนวณเวลาเป็นบุญเป็นกุศลกันเสียบ้างสรุปให้ง่ายที่สุดพี่จะไม่หยุดการปกครองอยู่แค่ระดับประชาธิปไตยแต่จะพยายามไปให้ถึงระดับธรรมธิปไตยด้วยเขาขยายฝันและอุดมการหมดเปลือกจนตาสวยของลานดาวเปิดกว้างอย่างพลอยร่วมกระตือรือร้อนตามหาคำพูดที่ควรพูดเพื่อแสดงว่าหลอนเชียร์เขาสุดใจ จะไม่เคยรู้สึกถึงตัวตนความเป็นนักปกครองที่แท้จริงเหมือนอย่างนี้มาก่อนเลยนักการเมืองในอุดมคติยังมีเยอะเท่าที่พี่เห็นกับตาบางคนเหมือนเกิดมาเพื่อถูกวางไว้ในตำแหน่งเฉพาะทำงานปิดทองหลังพระป้องกันไม่ให้ชาติวิบัติด้วยน้ำมือขนโง่และขี้โลบทั้งหลายแต่งานการเมืองก็เหมือนหมักหมมคราบสกปรกมายาวนานคนไม่รู้จักเกมไม่ทันเกมหรือมัวห่วงความสะอาดสะอ้านไรยองใหญ่อย่างไรก็ต้องถูกปัดกระเดือกทิ้งจากระบบ ตอให้ประชาชนหนุนหลังแค่ไหนก็อยู่ไม่รอดหรือจอดเสียก่อนจะไปถึงยอดสุดของระบบพี่นามีครบทุกอย่างที่จะไปถึงตรงนั้นจะเชื่อพี่นาลันดาพูดแบบยิ้มๆประจบยิ่งคุยนานยิ่งยำเกรงอำนาจในตัวสารณะมากขึ้นทุกทีไม่ง่ายแล้วก็ไม่ใช่นอนมาอย่างนั้นหรอกนักการเมืองหนุ่มทำหน้าเหนื่อยหนายนิดๆหาได้ลําพองกับถ้อยคําแสดงความปักใจนิยมและเชื่อมั่นในตัวเขาแม้แต่น้อยเหตุเพราะเห็นตามจริงว่าต้องฝ่าฟันห อ, อกดาบอีกหลายร้อยเล่ม และปีนป่ายกำแพงเหล็กอีกหลายพันชั้นพี่เพิ่งทำงานการเมืองมาไม่กี่ปีทุกวันนี้รู้สึกเลยว่าตัวเองเหนื่อยและไม่เหนียวทนท่ายาดอย่างที่คิดบางบทบาทคล้ายเห็นตัวเองแกล้งทำอะไรก็ไม่รู้ต่อให้เกลียดใครสักคนเข้าใจก็ต้องทนยิ้มเจรจากับมันเป็นนานสองนานหรือรู้ความชั่วร้ายอย่างระยำของใครแต่ยังกอดคอเป็นพวกเดียวกันกับมันแถมบางทีต้องช่วยพูดให้มันดูดีขึ้นจนเราต้องรับส่วนเลวของมันจนเหม็นตามไปด้วย หรือบางทีไม่เห็นด้วยกับนโยบายอันเป็นมติของพรรคพวกแต่ก็ต้องกัดฟันแถลงข้อดีให้ประชาชนฟังเป็นคุ้งเป็นแควเหมือนเราคิดเองพอใจพูดด้วยตัวเองพอจบประโยคก็ทำท่าเหมือนเพิ่งนึกขึ้นได้อ้าวตายละเพลินไปหน่อยเผลอนึกว่ากำลังระบายความในใจกับคนในครอบครัวขอโทษนะคาพูดเมื่อกี้ห้ามแพ่งแายละ่ะแล้วอย่ารวมไว้ในหนังสือจ้เด็ดขาด เขาทำหน้าตาคึงขังแต่ว่าแฝงยิ้มแนบเนียนด้วยลีลาของดาราเก่านั้นทาให้ลานดาวรู้ว่าเป็นลูกเล่นหยอดมุกบอกอ้อมๆว่าเขาไว้ใจหล่อนขนาดไหนเพียงด้วยการคุยกันครั้งแรกก็ยอมขายความลับที่อาจเป็นภัยกับตนในภายหลังหากหล่อนนําไปพนทนาลานดาวรีบรับคําอย่างแข่งขันกลั้วหัวเระาะค่ะจะฟังและเก็บไว้ในความทรงจําส่วนตัวเท่านั้นจะให้สัญญาสารนายิ้มให้ลานดาวปีนี้อายุยีบสองใช่ไหมค่ะ หญิงสาวยิ้มตอบคิดในใจว่าเจ้านายใหม่ช่างดีเหลือเกินรู้ทุกอย่างหมดโดยหล่อนไม่ต้องให้ข้อมูลอะไรทั้งสิน้นอีกสามปีจ้ามีสิทธิสมัครผู้แทนระหว่างนี้เตรียมเตรียมดูใจไปแล้วกันว่าพอจะสนุกกับการเมืองได้ไหมลานดาวสันสีสะทันทีขอเป็นฝ่ายเชียร์พี่นาดีกว่าค่ะจะให้จ้าช่วยตระเวนหาเสียงให้พี่ยังไหวแต่ลงเล่นเองนี่ขอตัวชาตินี้จะไม่มีใครเห็นจ้ายืนในสภาเด็ดขาดสาระหัวเราะเบาๆ อย่าเพิ่งลั่นวาจาเป็นเด็ดเป็นขาดอย่างนั้นวันหนึ่งอาจเปลี่ยนใจก็ได้วังวนของอำนาจมันมีแรงดึงดูดที่เกินต้านพี่มองแล้วว่าจะจะมีฐานอำนาจใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอายุแค่นี้ยังอย่างนี้พอเริ่มเป็นผู้อาวุโสธรรมชาติจะส่งขึ้นไปยืนระดับใหม่เองลั่นดาวหัวเราะบ้างขอทนยืนน้ำลายไหลยอยู่ระดับเดิมนี่แหละคะ่ะยิ่งวันจะยิ่งอยากทําตัวจ่องจริงๆนะคะนึกภาพตัวเองเป็นนักการเมืองไม่ออกทั้งซีครัตและซีคานทําไมถึงคิดว่าอยู่ฝ่ายรัฐบาลไม่ได้ หญิงสาวเริ่มเคยชินกับการถามหาเหตุผลให้แต่ละความเชื่อเพราะอาชีพที่ทำอยู่บังคับให้มองสิ่งต่างๆอย่างละเอียดรอบด้านด้วยความเป็นกลางเสมอความฝันของพี่ณนะต้องการซูเปอร์แมนมาทำให้เป็นจริงจะอยากให้มีคนคนนั้นแต่ก็ตระหนักว่าตัวเองไม่ใช่พ่อจะเคยบอกว่าการเมืองไทยอำนาจอยู่ที่เงินความเป็นจริงที่เกิดขึ้นคือลูกพรรคต้องมีเงินถึงจะมีกำลังใจช่วยกันแบกหัวหน้าพรรคขึ้นนั่งเก้า อ, อี้นายกถ้านายกหาเงินไม่เก่งอย่างน้อยก็ต้องสร้างภาพสุจริต แล้วเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ปล่อยให้ลูกพักทุจริตกันตามสบายแต่ถ้านายกหาเงินเก่งก็หลีกเลี่ยงข่าวผลประโยชน์ทับซ้อนไม่ได้คืนเห็นแก่ประชาชนมากกว่าลูกพักก็จะไม่มีใครช่วยรักษาเก้าอี้ไว้ได้นานความจริงนี้ทําให้จ้าเห็นว่าจะเชื่อแบบบุญคุณโทษแค่ไหนคนคิดเป็นนายกก็ต้องกล้าทําอะไรบางอย่างเพื่อเงินเสมอและเป็นผลในทางตรงหรือทางอ้อมให้ต้องทนยอมรับการมีคนรักกับคนเกลียดคลั่กกันทั่วทั้งแผ่นดินด้วยสําหรับจ๊ะ จะอยากโตขึ้นโดยไม่ถูกบังคับให้กัดฟันยอมรับว่าเงินคือฐานอำนาจแล้วทำไมถึงคิดว่าอยู่ฝ่ายค้านไม่ได้ก็ถ้าคิดในแง่ของกรรมมันเหมือนถูกบังค okay. ับให้ทํากรรมอีกชนิดหนึ่งคือต้องมองทุกการกระทําของคนอื่นเป็นสิ่งผิดพลาดไปหมดจะมองหรือพูดยกย่องว่าเขาดีไม่ได้ต้องปลูกฝังความจงเกลียดจงชังให้ลึกเข้าใจถ้าอยากได้เป็นรัฐบาลบ้าง จ้าคงฝืนใจตายเลยยิ่งก่อนถึงฤดูเลือกตั้งต้องเข้าป้อมต่อสายตรงกับกลุ่มทุนที่หวังผลประโยชน์ภายหลังขอให้ส่งสเสบียงกลางไวส้สู้ศึกแค่คิดก็แย่ แ, ยแล้วค่ะสรณะขโมดคิวยิ้มไหนว่าไม่ชอบการเมืองทาไมเห็นอะไรชัดนักจำจำเขามาทั้งนั้นแหละค่ะถ้าให้ลงรายละเอียดก็บอกไม่ถูกหรอกอความจริงไม่เล่นการเมืองก็ดีเหมือนกันจะ้จะได้สะอาดเหมือนผ้าขาว เขายังคำไว้แค่นั้นไม่ตอบประโยคเต็มๆที่เหลือคือเอาไว้คอยโบกพันให้ความเย็นรื่นกับพี่ทีนี้มาคุยกันเรื่องรายการโทรทัศน์หน่อยสารณะกล่าวพลางขยับตัวเป็นงานเป็นการพลอยทำให้ลันดาวยืดหลังตรงสนใจฟังตามเกมโชว์ที่ผ่านๆมาส่วนใหญ่ดัดแปลงหรือเอาของเก่ามาปรุงให้เราใจกว่าเก่าด้วยรูปแบบที่มีสีสันแปลกตาไปรวมทั้งการพยายามดึงผู้ดาเนินรายการที่มีลีลาดึงดูดผู้ชมเข้ามาแทนหน้าเก่า หรือไม่ก็ล่อใจผู้เล่นและผู้ชมด้วยเงินรางวัลก้อนโตมากๆหนึ่งปีที่ผ่านมาพี่เกิดความคิดอยากสร้างรายการใหม่เอี่ยมที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนเกมไม่จำเป็นต้องเป็นแบบที่ Neo นีโอเทรนทนัคือไม่ต้องสนุกสนานเฮฮาแฝงสาระอย่างที่เคยๆแต่อาจมีความกดดันความตึงเครียดและความเร้าใจให้เต้นระทึกได้แรงๆเสียบ้าง รูปแบบเกมใหม่ที่พี่คิดขึ้นนี้จะเป็นการถ่ายทอดอารมณ์ความกดดันความตื่นเต้นรวมทั้งชัยชนะเข้าถึงจิตถึงใจคนดูตรงๆยิ่งกว่านั้นพี่จะผลิตสินค้าจำลองเครื่องเล่นในรายการขึ้นมาวางขายตามท้องตลาดซึ่งจะเป็นเครื่องช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของสมองคนเล่นได้มากด้วยลานดาวกระพริบตาปลิบๆเดาไม่ถูกเอาเลยว่าเขากำลังพูดถึงเกมชนิดไหนหรือจะเป็นไปได้อย่างไรแค่ฟังก็ระทึกตามแล้วค่ะ หลอนเผยความรู้สึกอยากจะเร่งให้เขาพูดต่อเมื่อเห็นพักนานคลายยั่วให้อยากรู้รายการนี้พิธีกรจะเป็นองค์ประกอบแวดล้อมที่สําคัญคือต้องมีพลังพอจะตรึงคนดูให้อยู่กับความเข้มข้นของบรรยากาศรวมทั้งเชื่อว่าตัวรายการไม่ใช่ของเก๋นี่เป็นรายการแรกในรอบสองปีที่พี่จะเข้ามาเป็นพิธีกรด้วยตัวเองอีกครั้งเดิมทีกะจะทําคนเดียวแต่เมื่อเห็นจ้าก็คิดใหม่ว่าควรมีพิธีกรผู้ช่วยอีกคน ลานดาวลืมความอยากรู้รายละเอียดของรายการไปชั่วคราวมันเกิดความตื่นเต้นอย่างใหญ่หลวงเมื่อทราบว่าจะมีโอกาสยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กับสารนะเกือบหลุดปากว่าดีใจจังค่ะแต่เปลี่ยนเป็นพนมมือไหว้แทนขอบพระคุณสําหรับเกียรติที่มอบให้จ้านะคะบิ๊กบอสแห่งนีโอเทรนเอ็นเตอร์เทนเมนต์ไม่ตอบอะไรแต่ลุกเดินไปยกหูโทรศัพท์ต่อสายภายในถึงใครคนหนึ่งคุณสมคิดเตรียมเครื่องให้พร้อมนะผมกําลังจะพาน้องจ้าไปสาธิตการทํางานเดี๋ยวนี้